30ปีก่อนนะตอนที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มจะแพร่หลายมากขึ้นเพราะว่าขนาดเล็กแล้วก็ราคาถูกลงคนก็ทึ่งนะในความสามารถคอมพิวเตอร์เดยวว่าในเรื่องการคำนวณแล้วก็ยังทำได้ทั้งหลายอย่างแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ ตอนนั้นเนี่ยก็คือการจําหน้าคนนะหมายความว่าถ้าเราถ่ายรูปคนเนี่ยในอากับกิริยาในอิริยบาบถต่างกันเช่นดีใจหรือเสียใจเนี่ยคอมพิวเตอร์มันบอกไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวกันนะหรือว่าคนคนเดียวกันแต่ว่าโกนหนวดหรือว่าเติมหนวดหรือว่าใส่หมวก หรือว่าใส่แว่นนะหรือว่าคนที่ภาพที่ถ่ายตอนยี่สิบกับตอนสี่สิบเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวคอมพิวเตอร์มันบอกไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวกันมันงงเลยนะแต่คนเราเนี่ยสามารถที่จะจาหน้าคนได้ไม่ว่าจะเจอกันในรูปลักษณ์ใดก็ตามเช่นเคยเจอกันเมื่อสามสิบปีที่แล้วเจอกันตอนที่ยังเป็นเด็ก วัยรุ่นตอนนี้กลางคนแล้วก็ยังจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือว่าจะเติมหนวดนะใส่คราวยังไงโกนผมเนี่ยคนจำได้อันนี้เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เรานะสัตว์ก็เหมือนกันนะมันก็จำได้นะโดยเฉพาะพวกหมาเนี่ยคนพิโต่ทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทำได้แล้วนะหลังจากที่ทำอะไรต่ออะไรที่มากมาย หลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็อย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เมืองจีนเนี่ยก็สามารถจับผู้รายได้ผู้รายที่หนีมาที่หนีคดีนะแล้วก็เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคอยสแกนคนตามที่ต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าสแกนไปเจอคนที่หนีคดีเนี่ยมันจําได้แม้ว่าภาพถ่ายของคนที่หนีคดีถ่ายหน้าตรง แล้ว ก, มมก็มันมาสแกนเจอตอนที่อาจจะเปลี่ยนรูปหน้าตาไปบ้างนะแต่คอมพิวเตอร์มันจำได้ว่ามันระบุได้ว่าคนเดียวกันเดีย๋ยวนี้ร้านค้าในในอังกฤษเนี่ยนะเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจับหาคนที่มีประวัติลักของนะไอ้พวกที่รักของในห้างนี่มันก็ต้องมาอยู่เรื่อยๆเราใช้คอมพิวเตอร์ที่สแกนคนที่มาห้างนะ แล้วก็สามารถที่จะจับได้นะว่าหมอนี้นี่เคยขโมยของเมื่อเดือนที่แล้วนะืออาจะปีที่แล้วก็ได้อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ธรรมดาก็เรียกเป็นปัญญาประดิษฐ์นะ AI artificial intelligence คือมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวมันเองให้ข้อมูลมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ได้อันนี้ยังอันนี้ก็เรียกว่าน่าทึ่งแล้วนะไอ้ที่มันที่มันน่าทึ่งอย่างอันนี้คือคอมพิวเตอร์เนี่ย ทำสิ่งที่เก่งกว่ามนุษย์ในเรื่องของการระบุนะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกย์เป็นโฮโมหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยดูจากภาพถ่ายคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเราเห็นภาพถ่ายหรือเห็นหน้าคนเนี่ยเราบอกไม่ได้นะว่าคนที่เป็นเกย์เป็นโฮโมหรือว่าเป็นคนทั่วทั่วไปแต่เขาทดลองแล้วเพราะว่า AI หรือ artificial intelligence เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ย มันบอกได้เช่นเอาหน้าคนสมมติมีภาพถ่าย2คนนะคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาไมยค่าเป็นสเตรสนะสเตรสแปลว่าคนที่ชอบเพศตรงข้ามอีกคนหนึ่งเป็นเกย์นะคอมพิว เ, เตอร์มันบอกได้เลยความถูกต้องในประมาณ 80% ว่าคนนี้เป็นเกย์คนธรรมดาเนี่ยทำนายหรือระบุ ก, ก็ประมาณ 60% ก็คือพอๆกับทายเหรียญ น, นะนะซึ่งมันก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ ไอการที่ถายถูกได้หกสิปอร์เซนต์นี่ก็ถือว่าฟลุกนะเป็นเรื่องความฟลุกมากแต่แปดสิเปอร์เซ็นตนี่มันไม่ได้ฟลุกแล้วนาเห็นรูปท่ายนี่บอกได้นะว่าคนนี้เป็นเกย์หรือว่าเป็นคนที่รักเพศตรงข้ามและยิ่งถ้าเอารูปถายมีจํานวนมากขึ้นนะเช่นห้ารูปถายนะห้ารูปถายห้าใบเนี่ยแล้วก็ให้เลือกนะว่าคนไหนเป็นคนรักร่วมเพศคนไหนเป็นคนรักเพศตรงข้ามเนี่ย คอมพิเตอร์มันถ้ายถูก9ก้าเอ็ดโอ้โหมันเกือบร้อยเซเลยนะเพราะว่ามันดูมันสังเกตละเอียดมากนะเพราะว่าคนที่เป็นเกย์กับคนที่เป็นผู้ชายที่รักเพศตรงข้ามเนี่ยจะมีลักษณะใบหน้าหรือว่าจมูกหรือว่าคางหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับใบหน้าเนี่ยที่มันไม่เหมือนคนทั่วไปมันแตกต่างนิดหน่อยซึ่งคนธรรมดาไม่สังเกต คนธรรมดามองไม่เห็นนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยหลังจากที่ให้ข้อมูลกับมันนะว่าคนหน้าตาคนที่เป็นเกยนะให้ภาพถ่ายของคนที่เป็นเกยเนี่ยประมาณสักทุกสามสี่พันคนน่ยกับภาพถ่ายของคนที่เป็นคนที่รักเพศตรงข้ามเนี่ยสามสี่พันคนให้มันเนี่ยป้อนข้อมูลพื้นฐานให้มันมันจะเริ่มสังเกตความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นเกยกับคนที่รักเพศตรงข้ามอันนี้พอให้ภาพ ข, ของคนที่ ภาพถ่ายนะที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเกย์หรือเป็นคนรักเพศตรงข้ามนะสองภาพเนี่ยมันจะทายถูกประมาณเก้าสิบเปอร์เซนอันนี้แสดงว่ามันเก่งนะมันเก่งเกินกว่ามนุษย์แล้วะมนุษย์ทําได้แค่หกสิเอร์เซนซึ่งก็เป็นแค่ฟลุกกันนะเหมือนกับถายเหรียญหัวก้อยเนี่ยนะคนเราถ่ายเรียนหัวก็อย่างน้อย ก, ก็ต้องถูกห้าสิบเปอร์เซ็นแะล้วะถ้าเราบอกว่าหัวตลอดเนี่ยถ้าเราหัวตลอดนี่งไงต้องห้าสิบเปอร์ซ็นตโอกาสจะถูกเนะี่ย อันนี้เดี๋ยวนี้เาก็ในปัญญาประดิษฐ์ก็ยังสามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นโรคที่เกี่ยวกับพันธุ ก, กรรมบางชนิดนะสามารถจะบอกได้จากภาพถ่ายให้ักหรือว่าสแกนสแกนหน้าเนี่ยมันก็จะบอกได้ละบางบางบางเอ่อบางโรคนะสามารถจะบอกได้แม้กระทั่ง IQ นะ สแกนหน้าที่บอกไ q คิได้นะเกือบจะถูกต้องนะนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดฝันนะว่าคอมพิวเตอร์นี่มันจะมีความสามารถในด้านนี้เก่งกว่ามนุษย์นะเรียกว่าเหนือมนุษย์นะและต่อไปก็คงจะทำอะไรได้อีกมากมายในเรื่องที่เราคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้มีแต่มนุษย์ทาได้นะอันนี้มันก็เป็นเรื่อง ความก้าวหน้าของวิทยาการนะซึ่งมันเกินจินตนาการคนเราคนเราเนี่ยความสามารถคนเราเนี่ยมันมีสามอย่างนะแยกจาพูดแบบนมรวมนะพูดภาษาฝรั่งคือว่า head แล้วก็ hand แล้วก็ heart head นะก็คือหัวหัวคือสมองคือความรู้นะความรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องท้งโลกนะเรื่องกฎหมายเรื่องศิลปะเรื่องวรรณคดีวิทยาศาสตร์ กายวิภาคนีเรื่องความรู้อีกอันนึงแหนก็คือทักษะนะทักษะคนทุกอาชีพเนี่ยมัต้องมีทั้งเฮทแล้วก็แหนนะหมอนี่ก็ต้องรู้ในเรื่องกายวิภาคดีแล้วก็แหนคือทักษะก็ต้องแม่นยำนะแม่นยําในการผ่าแม่นยําในการฉีดยานะอันนี้เป็นเรื่องของศิล ป, ปะนะก็ะเรียกว่าหมอนี่ต้องเรียกว่าเป็นศิลปะเป็นโลกเป็นศิล ป, ปะอย่างหนึ่งนะมันไม่ใช่แค่ศาสตร์อย่างเดียว ส่วนฮารก็คือจิตใจคืออารมณ์นะตอนนี้ในเรื่องของเฮกับแฮนเนียคอมพิวเตอร์มันมันเลยหน้ามนุษย์ไปแล้วนะหรือว่ากําลังจะเลยมนุษย์ไปแล้วสามารถจะทําแท้งกันได้นะใช่เรื่องหัวเรื่องสมองเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ตอนนี้มันสามารถจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยํามากนะถ้าให้สัญญาณถ้าให้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความดันนะระดับเลือดระดับน้ำตาลในเลือดสารเคมีในร่างกายมันสามารถจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าหมอยินนี้จะให้คอมพิวเตอร์คือ artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเขียนํำนวนนะสาหรับคนที่เป็นทนายความก็ทําได้จะให้แต่งเพลงที่ไพเราะนะ ปั๊บปุ่ไล่ยงไงเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ก็ทําได้นี่เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฮนะแฮนเนี่ยเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ในการผ่าตัดละผ่าตัดเส้นเลือดที่ละเอียดเล็กๆเนี่ยได้แม่นยํา ม, มากผ่าตัดหัวใจก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บางอย่างก็เกินมนุษย์ไปแล้วสิ่งที่มันเป็นความสามารถของมนุษย์เนี่ยก็คือเฮกับแฮนเนี่ยตอนนี้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์หรือโรบอทนะโรบอทก็คือหุ่นยนต์เนี่ยตอนนี้มันมันกำลังจะล้ำหน้ามนุษย์ไปแล้วต่อไปก็ทำแทนมนุษย์ได้การงานต่างๆก็ไม่ต้องให้คนทำแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำให้โรบอททำแต่มันมีอันหนึ่งที่คอมพิวเตอร์คงจะทำเกินมนุษย์ไม่ได้นะคือเรื่องของจิตใจนะเรื่องของจิตใจ คอมพิวเตอร์อาจจะทายหน้าอาจจะดูหน้าคนแล้วก็ทายได้ว่ามีโรคอะไร i อคแค่ไหนนะหรือว่ามีความามีความโนบเย็นทางเพศอย่างไรนะแต่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ทาได้ยากคือเรื่องของใจไม่ใช่ความเมตตากรุณาไม่ใช่แค่ความ ความเอื้อเฟือเพือแพงเดียวนะแต่รวมถึงการที่มีสติหรือการรู้จักตัวเองด้วยไอการทายใจคนเนี่ยนะมันก็อาจจะทำได้นะอาจจะดูโงเ่เฮงอาจจะดูหน้าตาน ะ, นะซึ่งก็เป็นงานที่คอมพิวเตอร์มันก็กำลังจะเข้ามาแทนที่ไอตแต่การที่คนเราจะรู้ใจตัวเองเนี่ยยากคนธรรมดานี่ก็ยังรู้ใจตัวเองได้ยากเลยแต่ว่ามันทำได้ แล้วก็สำคัญด้วยตัวนี้คนเราปรารถนาจะให้คนอื่นรู้ใจเรานะแต่ว่านั่นไม่สำคัญแต่ว่าเรารู้ใจตัวเองแค่ไหนต่อไปคอมพิวเตอร์ก็อาจจะรู้ใจคนอื่นได้นะรู้ใจคนที่มันกำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคอมพิวเตอร์มันต่อไปก็สามารถจะพูดคุยกับคนได้สแกนหน้าตาก็รู้ว่ามีบุคลิกมีอุปนิสัยมีความโน้มเอียงอย่างไร ต่อไปการรู้ใจคนอื่นเนี่ยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำก็อาจจะได้แต่ว่าไอ้การรู้ใจตัวเองเนี่ยนะคนพิวเตอร์คงทําไม่ได้ไอ้การที่จะมีสติรู้ตัวเนี่ยนะมันก็คงไม่มีใครทําได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาเจริญสติเนี่ยนะมันเรื่องสําคัญมากนะมันเป็นการพัฒนาศักยภาพของเรานะไม่ใช่เพื่อว่าจะได้อยู่เหนือคอมพิวเตอร์นะ อันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยแต่เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างเป็นปกติสุขนะอย่างที่บอกเวลาเราจะให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยมันยากทุกวันนี้เราก็อยากจะให้คนนู้นคนนี้รู้ใจเราเวลาเราเชรียดเขาก็รู้ใจเราสามารถจะผ่อนคลายแล้วได้เวลาเราน้อยใจเขาก็มาปลอบประโลมเราได้มางงอนง้อเราได้เราอยากได้คนแบบนี้แหละเป็นเพื่อนร่วมงานนะ คนในครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นแฟนนะแต่ว่าไอการรู้ใจตัวเองเนี่ยนะมันสําคัญกว่าแล้วมันเป็นไปได้มากกว่าด้วยเพราะว่าไอจะให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยมันยากแต่เรารู้ใจตัวเองสําคัญกว่าคนรู้มีคนอื่นรู้ใจเราแต่เราก็ยังทุกข์นะหลายคนมีครอบครัวที่น่ารักมีสามีภรรยาที่อบอุ่นรู้ใจรู้อารมณ์ของเราแต่เราก็ยังทุกข์นะ เพราะอรเพราเราไม่รู้ใจตัวเองแต่ถ้าเรารู้ใจตัวเองได้เนี่ยถึงแม้คนรอบข้างก็จะไม่รู้ใจเราเขาก็ไม่ทําให้เราเครียดไม่ทําให้เราวิตกกังวลหรือน้อยเนื้อต่ําใจได้เลยเพราะเราสามารถจะทรงจิตทรงใจได้เพราะการรู้ใจตัวเองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทําให้ได้แล้วก็ไม่มีใครจะมาทําแทนได้นั่นก็นะแม้ว่าโลกมันจะพัฒนาไปแค่ไหนหการรู้ใจการมีสติก็ยังเป็นสิ่งทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็ ยังจำเป็นนะิดว่ตลอดตลอดการที่ยังมีมนุษย์นะที่ยังมีจิตมีใจอยู่ <นะ S 1> ล้วก็เตรียมรับผ่อนที่ทิตตังปฏิตังตุมพังคอยท้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอพาเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกัปาขอความดามรททั้งพวงจงเต็มที่ จันโทปนณรโสยธาเหมือนพระจันในวันเทนมณีโชติราโสยธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีตโยอีวาจันโตวันจันายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตูโรคท้งปวงของท่านจงหายมาเทพาวันตารายโย อันตารายามีแก่ท่านสุขิติคายุโกภวานั้นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังุทธาวัจยินโนกาตาโรธรรมาวาทันทิอายุวันโนสุขังภลังตางสีประการคืออายุวันนาสุขะภาระ ย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวะตุสัพมังคลังพอสัพโมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพเทวตาพอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรร ม, มานุพาเวนะ้วยานุพาแห่งพระธรรมสาพาสังพานุพาเวนะ้วยานุพาแห่งพระสงฆ์สานตาโสติภาวนตเตอขอขวาสอดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเทิน